สิบตติยะคินชกาวัสถะสูตรว่าด้วยธรรมะบัญญายที่พระธรรมหนักอิดสูตรที่สามหนึ่งันท่านพระ อ, อนอน์นั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกกุฏอุบาศกในหมู่บ้านยาติกะถึงแก่กรรมแล้ว คติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมภรยพเป็นอย่างไรกลิพาอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะนิกาตะอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะกติดสหอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะอุทธอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะสันตุถาอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะ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 เพราะโอรัมพากิยสังโยชน้าประการสิ้นไปปรินิพานในพบนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกกาลิภาอุบาสกนิกตาอุบาสกกติสหะอุบาสกตุถาอุบาสกสันตุถาอุบาส ก, ส, าา ส, กสุพัทธาอุบาสกพัทธาอุบาสกถึงแก่กรรมแล้ว ไปเกิดเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพากิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกในวงเล็บอุบาสกทุกคนพึงทำให้มีคติอย่างเดียวกันอาโนนอุบาสกว่าห0สบคนในหมู่บ้านยาติกะถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมพคิยสังโยชน้าประการสิ้นไปปริณิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกกว่า90คนในหมู่บ้านญาติกะถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน้าประการสิ้นไปและบันธทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้กลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว จะทำที่สุดแห่งทุกได้อุบาสกกว่าห0 0รถึง600คนในหมู่บ้านยาติกะถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นโสดาบันเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอาโนนไม่น่าอัศจรรย์เลยที่บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายไป หากเมื่อบุคคลนั้นตายไปเธอทั้งหลายจะเข้ามาสอบถามเรื่องนี้กับเราก็จะพึงเป็นความลำบากแกะตะถาคตเพราะเหตุนั้นเราจะแสดงธรรมบรรยายเพื่อธรรมาธาตุคือแว่นสองธรรมที่อริยสา ว, วกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดสัตดิระชานสิ้นแล้วมีอบายทุขติและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าธรรมบัญญายซื่อธรรมธาตุที่อริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้ว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 ไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าตติยะคินชกาวสัสทะสูตรที่สิบจบเวลุทวารวักที่หนึ่งจบ